เปิดหนังส e ือไปหน้าสองสาพุทธศาสนาสุภาษิตเกี่ยวกับตนเองช่องท่อนล่างอตนาเมวาปทมังปฏิรูปเณเวเสเยอาธัญยามนุสสะเสยานาคิริสยาปันติโต บุคคลควรปฏิบัติตนให้ดีก่อนแล้วคอยสอนคนอื่นให้รู้ตามเหมือ่อ<บ>เมื่อบัณดิตกระทำเช่นนี้จะไม่มีความมัวมองเลยอาตตานั่เจตธากะอิรายธทัญยามนุสสะสติ สุทันโตวัตรามิธาอัตตาิกิรทุมะโวงบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนให้ได้อย่างนั้นผู้ที่ฝึกตนได้ดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกตนเองได้ยากยิง อาตานิอตโนนาทโคหินาทปโรสีหังอาตนาสุตันเตนานาัลพาติทุนระพง ตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเราเขาจะเป็นที่พึ่งได้ผู้ฝึกตนอบรมตนดีแล้วยอมได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเอตัปปสัตติมังโลกังจิตตังราชาระทุปปังัง อันดภาราวิสิธันตินติสังโฆวิชารณตังท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุราชจรดพวกคนเขาพากันหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่โยจะปุเพปมาจิตตวาปัจจโสนาปัจจติ โซมังโลกังปภาเสติรภามุตโตวจันทิมาผู้ที่เคยประมาทมาก่อนแล้วก็ย้อนกลับตัวได้ในภายหลังเขายอมทำโลกนี้ใหสว่างดังดวงจันทร์พ้นทางของเมฆฉนันอัตถาภูโตอัยังโลกโอตนุกเก ท, ทาวิปัสสติ สากุลโตชาลมุตโตวะอโภสขายะคับชติโลกนี้มืดมนอันธการน้อยคนนักจะเห็นแจ้งพระสัทธ ร, รมน้อยคนนักจะได้ไปสวรรค์เหมือนนกกิดไข่น้อยตัวนักจะได้หลุดพ้นไป มาคาณัทถิโกเศธโทสัจจานังจตุโรปธาวิราโคเศธโทธรรมานุปทานนันจจักขุมา ยอดแห่งหนทางคือมักมีองค์แปดยอดแห่งความจริงคืออริยสัจสียอดแห่งธรรมะคือความสิ้นราคะยอดแห่งมนุษย์คือพระผู้เป็นแจ้งเอตันหิตุเมปฏติปนนาทุกขสันตังกรสตธา อคาโตวเวไมยามะโคัญญาญาสันลสัทธนามเมื่อเดินตามทางสายนี้แล้วพวกท่านจากพ้นทวงทางสายนี้แต่าคาได้ชีบอกไว้หลังจากได้รู้วิธีกำจัดกิเลสเยสันจะสูส่สมารธานิจังกะยะายคตาสติ กากิจจังเตนเสวันติกิจเจสะตันจการิโนุสสะตานังสัมปชานานังอัตถังกัดฉันติอาศวานบุคคลผู an ้เจริญสติจารณากายตลอดการเป็นนิส ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำทำแต่สิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่องมีสติและสัมประชัญญาอาสวกิเลทั้งหลายย่อมหมดไปสุภะพุทังระพุชนติสัทธาโคตัมสาวะกาเยสังทิวาจารโตจาบภาวนายารโตมโน เราสาวกของพระโคดมพุทธเจ้ามีใจอินดีในการเจริญภาวนาเป็นนิดทั้งกลางวันและกลางคืนชื่อว่ายอมตื่นด้วยดีอยู่เสมอรุเรสันโตปกาเซนติมะวันตวโตวะปะปโต อาสันเตธาณธิสันติรัตติกิตายทัสราคนดีทั้งหลายยอมปรากฏเดน่นดูดผูกเขาหิมภานส่วนคนชั่วชาสามานถึงอยู่ไกลก็ไม่ปรากฏดูดลูกศรที่ยิงไปในความมืดฉะนนั้น กาสาวกันท่าปะหวมปปะธรรมะสัญญาตังปะปะปะเปอิกรรมเมหินิระยังเตอุปัจเรมคนที่นุ่งห่มผากาสาวพัดมีมากที่ทำชั่วและไม่สำรวมคนชั่วเหล่านี้ย่อมตกนรกเพราะคำชั่วที่ทำ เสโยอโยคุโรพุทโตตัตโตอากิสิกุปโมลยันเจพุญชะยะทุสิโรรัตถะปันละงอสัญญโตเทิกสูภูตุสินและไม่สำรวมให้เขากืนก้อนเหล็กกล่อนที่ลุกโชนดีกว่าบริโภคอาหารที่ชาวบ้านถวาย อาปุญญรลาโภจะกติจะปาปิกาภิตาสะภิตาราติจะโทษกิการาชาจะดันดังกุกังปณนติตัสเมนะโรปะราธาลังนเสเวมโทษสี่ประการคือได้บางได้พบชั่วในอนาคต อังคู่มีความสุขชั่วคราวแต่สะดุงใจเป็นนิดพระราชายอมลงโทษอย่างหนงักเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประพฤติผิดในภรรยาของคนอืน่นอหังหน้าโควสังาเมจตาปโตปฏิตังสรงัง อาติวากยังติติกิสังทุสิโรหิภูชนนเราจาักอดทนต่อคำเสียสีของคนอื่นเหมือนพยาโคจสาในสุนามรมตนต่อลูกสรนที่ปล่อยออกไปจากกั น, นโน พอคนส่วนมากทุศิลมิทธิยถาโหติมหากขสโสจานิทายตาสัมปริวัตยสายินมหาวราโหวานิวาปุทโธปุณพุนังกับปะมุเปติมันโท คนโง่ที่กินจูสลุมเสลื่ชอบนอนกลิ้งเคลือไปมาเหมือนสุกรที่ถูกขุนในอวนด้วยเศษอาหารยอมเวียนไวไ่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปสุขังยาวาชราศิรังสุขสัสสทธาปฏิทิตตานสุโคปัญญาปฏิราโภพาปานังอาการนังสุขัง ศีลก่อให้เกิดสุขตราเท่าชราศรัทธาที่ตั้งมัน่นยอมนำสุขมาให้การได้ปัญญานำสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายก่อให้เกิดสุขโยเจตังสหเตชัมมิงตันหังโลกเกทุรั จ, จะยัง โสกตัมมะปปะตันติอุตวิถุวะปุกคารผู้ใดเอาชนะตัณหาธรรมชาติสิ่งอยากที่จะเอาชนะได้นี้ความสุกเศร้าย่อมไม่มีเหมือนหยดน้ําที่ตกจากใบบัวสาริตานิสิเนอิตานิจโสมนสานิปวันทิฉ so ันตุนุน เตสะตาสิตาสุเกสิโนเทเวชาติจรูปะคานรามคนที่ยินดีในกามรมมกมุนอยู่ในรสเนหายอมฝากไฟแต่สุขสำราคนเหล่านั้นยอมเวียนไว้ตายเกิดอยู่ร่ำไป โยนิพันโนวะนาทิมุตโตวะนามุตโตวะนเมิวั h ถาวตีตังปุคาละเมวาปัสสัพมุตโตพันตานามิวั h ถาวตี ท่านทั้งหลายจงดูบคุคคลผู้ออกบวชถือเพศบรรพเิศ ช, ชื่อว่าพ้นจากป่าคือกิเลสแล้วยังกลับไปสู่ป่านั้นอีกเขาหลุดพ้นจากที่คุมขังแล้วยังยังวิ่งเขาหาที่คุมขังนั้นอีก วิตตักมาติตาสาฉันตุโนติภราคาสะสุภานุปาสิโนปิโยตันนปวัตติเอสโคตันนกโรติพันธนามตันหาย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่ผู้ที่คิดฝุงศานมีราคาจาด และติดอยู่ในสิ่งสวยงามคนเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ผูกมัดตัวเองไว้อย่างแน่นหนาสัพพะธานังธรรมธานังชินาติสัพพระสังธรรมระโสชินาติสัพพระดิงธรรมระติจินาติตนะกโยสัพพทุกังชินาติ ธรรมทานชนะทานทั้งปวงรถประธรรมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัญหาชนะทุกทั้งปวงตินาโตสานิเขตานิราคาโทสายังปชางตัสสมาหิวิตระเเคสุทินนังโหติมหาผลัง ยาทําให้นาเสียหายราค่าทาให้คนเสียหายฉะนั้นทาน ท, ที่ให้แก่คนที่มีราคามีมมผลน<ม>้นนอยแต่ให้แก่คนที่ไรราคามีมผลมากทินาโทสานิเขตานิโทสะโทสาอยังประชา ตาสมาัยวิจตโตเสสุตินังโอติมหผระยาทำให้นาเสียหายโทษสาทำให้คนเสียหายฉะนั้นทานที่ให้แก่คนมีโทษสมีผลน้อยแต่ให้แก่คนที่ไม่มีโทษสามีผลมาก ทินาโทสานิเกตานิโมหโทสายังประชาตัสมะฮิวิตโมหิสุทินังโมติมหผาังยาธรรมไมนาเสียหายโมหธรรมไม่คนเสียหายฉะนั้นทานที่ให้แก่คนที่มีโมหมีบุญน้อย แต่ให้แก่คนที่ไม่มีโมหะมีผลมากดินาตอสานิเขตานิอิจาตอสยังประชามตัสมาหิวิกาติเชสุตินังโมติมะพรามณ์ ยาทำให้ไาเสียหายความอยากทําให้คนเสียหายฉะนั้นการที่ให้แก่คนที่มีความอยากมีผลน้อยแต่ให้แก่คนที่ไม่มีความอยากมีผลมากดังนี้เปิดไปหน้า242กาละมะสุตกาละมะสุตกังขานิยทานะสิบ มาอนุสเวน่าอย่าพงชัยเชื่อด้วยการฟังกันตามกันมามาปารมปารายาอย่าพงชัยเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมามาอิติกิรายาอย่าพงชัยเชื่อด้วยการตื่นข่าวเล่าลือ มาปิตากสัมปัฏฐานินามอย่าปรุงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคภีพ์มมาตากะเหตุตอย่าปรงใจเชื่อด้วยการนึกดาวอวมานยาเหตุตุอย่าปรงใจเชื่อด้วยการคาดคะเน มาอาการปริวิตาเกณันอย่าปงใจเชื่อด้วยการตรึกตามาการมาทิฏินิจนาคันติยามอย่าปงใจเชื่อด้วยเขาได้กับความเห็นเดิมของตนเองมาภาปรูปทาญาณอย่าปงใจเชื่อด้วยผู้พูดควรเชื่อได้ มาสมโนโนโกรุติมอย่าปงใจเชื่อด้วยเห็นว่าสมณะทานนี้เป็นเป็นครูของเราจบแล้วสำหรับการสวดมนต์พิเศษในหน้าสองสหน้าสองสสติย1สิบประการ สติโดยพยัญชนะคือเล่นไปเร็วสองสติโดยอัถะคือความระลึกได้เร็วหรือทันเวลาในการนำมาซึ่งปัญญาสามสติสามสติโดยวัยพจนธคืออัปปมาธ ะ, ะชาคระธรรมสี่สติโดยองค์ประกอบมีอยู่สี่หนึ่งความรู้จักและกลัวต่อความทุกข์ 2. ความรู้จักละอาย 3. ความเข็ดหลาบ 4. ความเชื่อฟังและเคล่งครัดต่อระเบียบ 5. สติโดยลักษณะมีอยู่3อย่าง 1. แห่งเจตสิกธรรมเครื่องประกอบจิต 2. แห่งผู้เฝ้าผู้ระวังผู้รักษาผู้คุ้มครอง 3. แห่งความตื่นไม่หลับไม่เผลอ 6. สติโดยอาการมีอยู่2คือ 1. แห่งการขนส่งซึ่งปัญญาอย่างทันเวลา 2. คัดเลือกและใช้ปัญญาให้ถูกแก่กรณี 7. สติโดยประเภทมีอยู่3ประเภทคือกอขคประเภทกจำแนกโดยประเภท2ตามอาการหรือหน้าที่มี6คู่ คู่ที่ 1. สัมมาสติ 2. มิจฉาสติคู่ที่สอ ง, งสติธรรมดา 2. ส, สติที่เป็นองค์แห่งมรรคคือสติที่เป็นไปเพื่อวิเวกวิราคะนิโรธโสคะคู่ที่ 3. ส, สติที่เกิดก่อนการกระทา สติที่เกิดขณะกําลังกระทําเพื่อควบคุมการกระทําผู้ที่4สติที่เป็นไปในอารมณ์ภายนอกสติที่เป็นไปในอารมณ์ภายในผู้ที่5สติเมื่อทําหน้าที่ตามกําลังของสติเองสติเมื่อทําหน้าที่ร่วมกับทำอื่นผู้ที่6 สติเป็นไปในหน้าที่แห่งการระลึกสติเป็นไปในหน้าที่แห่งการรักษาหรือปิดกัน้นประเภทขอจําแนกตามฐานะที่ตั้งมีสี่ประเภทคือสติเป็นไปทางกายทางเวทนาทางจิตทางธรรมที่เรียกว่าสติปัาน4 ประเภทคอจำแนกตามอารมณ์เป็นเครื่องติดตามกำหนดมีสิบอย่างคือพุทธานุสติหนึ่งธรรมานุสติหนึ่งสังคานุสติหนึ่งศีลานุสติหนึ่งจาคานุสติหนึ่งเทวตานุสติหนึ่งมรณ า, านุสติหนึ่งกายคาตาสติหนึ่ง อาณาปานาสติหนึ่งและอุปสมานุสติ8สติโดยกฎเกณฑ์มีอยู่สองคือ 1. ต้องทำหน้าที่ร่วมกับปัญญาอย่างที่จะแยกกันไม่ได้ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด 2. เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกกรณีและทุกกาลเทศะ ทำให้เกิดการเป็นพระอรหันต์เมื่อสติถึงความสมบูรณ์เก้าสติโดยสัจจะมีอยู่สองคือ 1. ความสมบูรณ์แห่งสติคือความรอดปลอดภัยของชีวิต 2. สติเป็นเครื่องหยุดกระแสแห่งกิเลสเพื่อให้โอกาสแก่ปัญญาในการทำลายกิเลสสิ 10. สติโดยหน้าที่ หรือโดยสมมติมีอยู่สองหนึ่งสติมีหน้าที่ระลึกและประมวลมาซึ่งทำทั้งหลายเพื่อการคัดเลือกและให้ใช้ถูกต้องโดยหน้าที่สองสติมีหน้าที่กำหนดอารมณ์ทั้งในฝ่ายสมาธิและปัญญาสิบเอ็ดสติโดยอุปมาเปรียบเสมือนมีอยู่ 1. ผู้เฝ้าผู้พิทักษ์ผู้คุม้มครอง 2. เครื่องขนส่งของปัญญา 3. ความเร็วของสายฟ้า 4. เคลื่อนวิทยุทั้งในลักษณะของเคลื่อนพาและเคลื่อนเสียง 5. เสือในขณะซุ่มตัวคอยจับสัตว์อยู่ในป่า 6. สารทีแห่งอัตภาพของชีวิต12สติโดยสมุทัยมีอยู่4คือ 1. สมุทัยโดยตรงคือความกลัวต่อความทุกข์แล้วระวังอยู่ 2. สมุทัยโดยอ้อมคือความระอายต่อความชั่วแล้วระวังอยู่ 3. ความไม่ประมาทในธรรมั้งปวง สี่มีปัจจัยสำหรับสนับสนุนคือสมาธิ 13. สติโดยอัดถังคมะมีอยู่4 1. ความหลงลืมความเผลอ 2. ความพ่ายแพ้ต่อความยั่วยวน 3. ขาดการสำรวมระวัง 4. เมื่อความประมาทครอบงำ สิ 14, สติโดยอัศทะคือความพอใจเมื่อได้รับผลของความไม่เพลอเร่อพลังผ่าขาดสติ 15. สติโดยอาทธีนาวะอาทธีนาวะของสติไม่มีมีแต่การขาดสติมีอยู่สี่คือ1ความทุกข์ความเสื่อมเสียความสูญเสียหรือถึงกับความตาย 2. ความหมดสมรรถนะของความเป็นผู้คุม้มครองรักษาในด้านของวัตถุและจิตใจ 3. หมดหวังความก้าวหน้าไปตามทางของพระนิพพานเพราะขาสติปัฏฐานทั้ง4 4. ไม่สามารถนำออกซึ่งอวิชชาและโทมนัาในโลกจากจิตใจ 16. สติโดยนิสระณนะ นิสรณะออกจากสติไม่มีมีแต่นิสรณะจากโทษของความขาดสติมีอยู่2คือ 1. อริยะอัฏถังขีกมัก 2. ความไม่ประมาทในธรรมทั้งปวง 1. 7 ส, สติโดยทางปฏิบัติเข้าสู่ความมีสติมีอยู่5 1. สติประฐาน4 หรืออานาปานสติ 2. ความสมบูรณ์แห่งสติในขณะแห่งสัมผัส 3. เห็นโลกโดยความเป็นของว่างจากอัตตาและอัตติยาอยู่เป็นประจำ 4. มีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ทุกอิริยาบถ 5. รู้สึกสมบูรณ์ก่อนการเคลื่อนไหวหรือการกระทําใดๆเพื่อป้องกันการหลงลืม 18. สติโดยอานิสงส์มีอยู่ 5. 1. สกัดกั้นกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ให้ลุกลามไปจนเกิดทุกข์ 2. ไม่มีการกระทําใดๆที่เป็นเหตุให้ต้องเสียใจ 3. สติเป็นเครื่องคุ้มครองศรัทธาทิฏฐิและวิริยะไม่ให้เฉออกนอกทาง และเป็นเครื่องเรียกหามาให้ทันเวลาซึ่งสมาธิปัญญาอิริโอตปะขันติจาคะปัญญาเป็นต้น 4. ป้องกันและควบคุมการเกิดแห่งกิเลสตัณหาอุปทานได้แน่นอน 5. สติเมื่อสมบูรณ์ถึงที่สุดทำให้รู้วินาทีที่จะดับจิต สิสติโดยหนทางถลำเข้าไปสู่ความมีสติมีอยู่4คือ 1. ความเป็นอยู่อย่างวิเวกสันโดษเรียบง่าย 2. ความมีฮิริโอตปะอยู่เป็นพื้นฐานของจิต 3. การเห็นภัยในวัฏสงสารอยู่เป็นประจำสี 4. มีกัลยาณมิตรคอยตักเตือน 20. สิสติโดยสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้อง มีอยู่2คือขันติธรรมที่เพียงพอสองสมาธิแห่งความจดจำที่เข้มแข็งและเพียงพอ21สุดท้ายสติโดยภาษาคนและภาษาธรรมมีอยู่สองภาษาคนความสะเพร่าเล่นเล่อ 2. ภาษาธรรมความไม่รู้สึกตัวทั่วพร้อม อยู่ด้วยอำนาจของปัญญาต่ออารมณ์ทั้งปวงจบสติ21ประการด้วยประการลัชณีแหลสเปสตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้น หเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันแลกกันเลยหาพยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยหนิฆาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานาังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ระหังสมาสมุทโธภะคะวะพุท thag ะคะวันตังอะพิวาเทมิกรสว่างขันโตภะคะวะตาสโมธรรมนัมมัสสะมิกร สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆชังคังนมโมมิครา